แม้เราจะเลือกสีสันวันหน้าว่าสีจะต้องอย่างนั้นสีต้องอย่างนี้แต่เพราะอาหารที่มีสีสวยประตอนอยู่ในจานอยู่ในภาชนะถ้าตักใส่ปากแล้วจะสีอะไรประตามถ้าเราคายออกมาแล้วตักลงไปใหม่ก็เห็นว่าจะไม่ไหวแน่แล้วก็ต้องขายทิ้งเนี่ยมันมีค่าเท่ากันต้องมีวิธีแก้พิจารณาอย่างนี้เราจึงจะสามารถแก้นิสัยของเราได้เนี่ยเรื่องอาหารต้องเป็นสปายาีนี้ประการต่อไปริยาบท กิริยาบทนี่คือการเคลื่อนไหวเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่เหยียดเรียวหน้าแลหลังหรือจะมีกิริยาบทน้อยกิริยาบทย่อยอะไรก็าตามกิริยาบทเหล่าเนี้ต้องเป็นกิริยาบทที่สบายด้วยยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกมันสบายไม่มีอะไรมาเกะ ก, กะรุงรังไม่คลุกคลักกิริยาบทเหล่านี้เป็นกิริยาบทที่ดีเราจะต้องตรวจสอบสถานที่ที่เราอยู่ ว่เวลายืนเดินนั่งนอนเนีย่ยเราสบายไหมถ้าเราไปอยู่เรือกนกรรมฐ า, านเล็กๆพอลุกขึ้นมาศีรษะไปโผล่กับกรอบประตูอย่างเงี้ยไม่สบายแหละหรือแม้เดินไปสะดุดธรณีประตูหกเขมรลงอย่างเงี้ยไม่สบายสถานที่อย่างนั้นไม่ดีหรือวิหารเก่าเกินไปเกิดเดินไปเหยียบตรงพื้นกระดานที่ผุเกิดทะลุพรวดลงไปได้ทุนอย่างเงี้ยก็ไม่สบายอีกท่านก็บอกว่าต้องเป็นวิหารที่มั่นคงเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเสียงออสแอดไม่มี เสียงไม้รั่กนกลางคืนไม่มีต้องเป็นสถานที่ที่สะดวกอันนี้เห็นท่าจะต้องขอเชิญไปดูที่วิทยาลัยซะแล้วเพราะว่ากําลังสร้างไว้สิปหลังและกําลังขึ้นอยู่ให้เป็นสัมมาญาตจริงๆในเรื่องของเสนาสนะนี่ไม่ใช่โฆษณานะแต่ว่าสร้างจุดเสร็จแล้วสิบเอ็ดหลังเผื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นฆราวาสจะไปปฏิบัติได้โดยมบางคนไปเห็นแล้วชอบใจบอกแหน่เห็นถ้าจะมาปฏิบัติที่นี่เห็นถ้าจะไม่ได้บรรลุนิพพานแน่ พบอกทำไมมันสบายเกินไปคืออาตมาทําให้เป็นสบายะสําหรับนักปฏิบัติดูข้างนอกก็จะรู้สึกว่าสบายอะแต่ว่าให้เข้าใจในด้านปฏิบัติด้วยว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องการอะไรเพอาตมาก็แนะสถาปนิกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราควรจะมีอะไรในในเรือนที่อยู่ของผู้ปฏิบัติสถาปนิกก็เขียนแบบขึ้นตามที่อาตมาแนะให้ว่าควรมีอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ย ซึ่งสถานที่เนี่ยเป็นสบายะเกี่ยวกับเรื่องกิริยาบทจะเคลื่อนไหวอะไรก็ได้วันไหนนึกสนุกจะกระโดดเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่พังรับรองไม่พังไม่หวั่นไหวด้วยมั่นคงดีแล้วก็ที่เดินจงกรมก็กว้างขวางที่นั้นเป็นที่ที่สะดวกเมื่อเราเว้นจากสถานที่ที่ไม่สบายมาเสดเสนาสนะ อันสบายเช่นนี้แล้วหรือเราเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นสปายะมาสู่สถานที่อันเป็นสปายะเช่นนี้สมาธิที่ได้นั้นจะไม่เสื่อมสมาธิที่เราได้มาเนี่ยจะไม่เสื่อมนอกจากสปายะเหล่านี้แล้วประการต่อไปเนี่ยเราจะต้อง มีอัปปนาโกสลุลคาว่าอัปปนาโกสลนี่แปลว่าความฉลาดความฉลาดความรอบรู้ในอัปปนาสมาธิหรือการที่เราจะรักาษาจิตให้ถึงซึ่งอัปปนาสมาธิอัปปนาโกศุลนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู้ที่ปฏิบัติว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องทางจิตเนี่ย เป็นปัญหาสําคัญเราต้องมีความฉลาดรู้จักประคับประคองจิตว่าสมัยที่จิตของเราเป็นอย่างเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงบางทีมันเกิดขยันเกินไปอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขยังไงว่าอย่าขยันเกินไปหรือมันเกียร์คานเกียรครั้งเกินไปนี่จะแก้ไขให้ขยันขึ้นมาได้ยังไงใจหดผูกแล้วเกินเนี่ยจะทําให้ใจเนี่ยเกิดมีความกระตือรือร้นขึ้นมาได้อย่างไรต้องรู้จักแก้ไขหรือบางทีแมมศรามีมากแล้วเกิน มันมีเกินไปก็ไม่ดีจะแก้ไขยังไงถึงให้ศรัทธามันลดลงสักหน่อยหรือบางทีปัญญามีมากเแล้อเกินแหมเริ่มแตกฉานและปุ้งเฟอ้อใหญ่ก็ทํายังไงมันถึงจะโง่ลงสักหน่อยเพราะฉลาดเกินไปเราก็ต้องรู้จากวิธีทําตัวให้โง่ด้วยว่าวิธีทําให้โง่จะทํำยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปนาโกศลซึ่งจะนํามาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้เวลาไม่พอสมาก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ราวต่างๆเหล่านี้ก็เวลาก็ล่วงเลยไปมากหนึ่งชั่วโมงแล้วไว้วันในวันอาทิตย์หน้าธรรมาจะมาพูดถึงเรื่องอัปนาโคสนุนว่าวิธีที่เราจะควบคุมจิตอย่างเนี้ยจะทําอย่างไรบ้างในวันนี้การบรรยายก็เห็นท่านจะพอสมควรแก่เวลาพูดถึงปริปโปคือความกังวลความกังวลใจต่างๆนั้นถือว่าเป็น อันตรายสาคัญของความสงบทางด้าน จ, จิตใจหรือของบุคคลผู้ที่จะทำสมาธิจิตในสมาธินิเทศนี้ท่านได้วางแนวทางปฏิบัติไว้สำหรับผู้ที่มุ่งแสวงหาความสงบทางใจจะต้องตัดปริโภ์กังวลต่างๆให้หมดเสียก่อนถ้าหากว่ายังมีเครื่องปริโภคหรือยังมีเครื่องกังวลอยู่ การปฏิบัติธรรมก็จะไม่สมําเร็จผลตามความมุ่งหมายที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะสังเกตได้ว่าผู้ที่มีความกังวลใจหรือมีภาระภุร า, าก็มากไม่ปฏิบัติธรรมไม่สมาําเร็จทั้งยังเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติอย่างร้ายแรงเพราะว่าเครื่องกระวลใจต่างๆนั้นเป็นอุปสรรคของสมาธิจิตเช่นอย่าง บางท่านเท่าที่อาตมาได้พบในปัจจุบันนี้บางทีก็มีปัญหาทางจิตใจมากเช่นอย่างความทุกข์ความวุ่นวายในครอบครัวก็คิดว่าจะไปเข้ากรรมฐานโยมผู้หญิงก็คิดว่าจะไปบวชชีแต่หารู้ไหมว่าการไปปฏิบัติกรรมฐานก็ดีการที่จะไปบวชชีก็ดี เราได้ตัดเครื่องกระมลใจต่างๆให้เรียบร้อยแล้วหรือยังคือเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังที่ว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังเนี่หมายถึงความห่วงใยในทางครอบครัวเราตัดได้แล้วหรือยังบางท่านอาจจะมีลูกมีหลานกิจการงานต่างๆก็ยังไม่เรียบร้อย การจะทิ้งงานเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็ไม่ได้งานที่ถิ่งไปก็เสียเพราะสุดท้ายเลยไม่ได้ทั้งสองอย่างทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสองทางเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังเตรียมตัวไม่พร้อมการเตรียมตัวไม่พร้อมนี้เป็นอุปสรรคสาคัญของการปฏิบัติธรรม ในชีวิตของครวดนั้นจะให้พร้อมหมดทุกอย่างเหมือนกับพระก็ย่อมจะทำไม่ได้เช่นอย่างพระนี่จะยกตัวอย่างเช่นอย่างการเดินทางมีใครมาชวนอาตมาบอกพรุ่งนี้ไปเที่ยวอเมริกากันไหมถ้าพาสปอร์ตมีพร้อมอาตมาโหกไปได้ภาษาว่าไปเที่ยวบินคืนเนี่ยไปได้ไหมไปได้ปล่อยย่ามลูกหนึ่งไปได้แล้ว ไม่มีกังวลมากแต่กระวาดไม่ได้กระวาดงานทางบ้านบ้านใครจะอยู่ใครจะดูแล ร, รับสมบัติกิจการตา่างๆใครจะดูแลเนียเป็นอาระธุระเป็นเครื่องของบนใจต่างๆยิ่งถ้าหากว่าเป็นพระที่เราไม่มีอะไรรับผิดชอบมากก็ยิ่งจะสะดวกสบายมากขึ้นอย่างพระที่ท่านเดินผุดง ปลาเดินทุดงนี่เป็นปลาที่ตัดความกังบลได้แล้วมีกรดอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีบริขานิดนิดนหน่อยบาดรูปหนึง่งสีการน้ำรูปก็เดินเที่ยวไปเพียนองเดียวในป่าในดงตามกอกเขาโขลนต้นไม้เราก็ไปอยู่ได้เราไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้เราไม่มีเครื่องกระบลใจ เ, เพราะฉะนั้นเวลาหรือโอกาสของการปฏิบัติธรรมก็มีมาก แต่กระวาดเหตุปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีภาระภุระหลายอย่างทีนี้มา่ตัดไม่ได้อย่างนี้เราจะปฏิบัติทำกันได้อย่างไรเพราะว่าท่านวางไว้ว่าต้องตัดปรีโทษของบนต่างๆ เ, เรื่องการตัดปรีโทษของบนนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะตัดได้โดยเด็ดขาดท่านก็วางแนวไว้ว่า ตัดได้เพียงช่วงขนาดหนึ่งก็ย่างดีช่วงขนาดหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าตดได้สักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงถ้าหากว่าเราฝึกจิตได้แค่นี้ก็นับว่ายังเป็นสุดสนอยู่บ้างเช่นอย่างในวันหนึ่งท่านทั้งหลายจะหาโอกาสทาความสงบในทางจิตเราว่าสแสวงหาได้ช่วงครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ต้องตัดรีโพสต์ของบนไปหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง ระหว่างปฏิบัตินี้เราจะไม่มีความกังวลขัดขันซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนจิตมาเป็นอย่างดีถึงจะสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนจิตเป็นอย่างดีแล้วก็ทำไม่ได้หรือความกังวล น, นั้นไม่มีจนเกินไปก็ทำได้ถ้ามีจนเกินไปก็ทำได้ยากมีบางท่านที่จะมาคุ้นเคยกันโยม ทาธุรกิจทางการค้ามากเกี่ยวกับกิจาการของบริษัทสมาชิถามว่ารู้สึกยุ่งยากไหมเนี่ย ง, งานมากๆมั่มาอย่างเนี้ยแกก็บอกว่าถึงกล่าวหยุดก็หยุดถึงกล้ายุ่งก็ต้องยุ่งนิดหน่อยแต่เราไม่ไปยึดถือก็อไม่เกิดความคิดเวลาเราหยุดเราก็หยุดไม่สนใจเป็นเวลาที่เราจะท่่อนอันนี้ก็ต้องฝกคิดก่อนหรือถึงกล่าวที่จะหยุด ก็เป็นอันว่ากิจาการต่างๆเนี่ยเราไม่คิดถึงหละเราจะหยุดพักผ่อนกันจริงๆและให้เป็นเวลาพักผ่อนจริงๆทําได้อย่างนี้ก็ไม่หนักหนาจนเกินไปนักแม้จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นก็ไม่เกิดความหนักอกหนักใจอะไรเพราะว่ารู้จักปล่อยวางในบางขณะก็ทําให้จิตใจเนี่ยเป็นสุขการปล่อยวางได้ก็คือการตัดภาระความกังวลได้ ถ้าหากว่าปล่อยวางไม่ได้ความกังวลต่างๆก็เกิดขึ้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะวางได้หรือวางไม่ได้ทีนี้เรื่องบางเรื่องวางได้บางเรื่องวางไม่ได้ก็มีที่วางไม่ได้นี่เพราะว่าเกี่ยวกับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่อันนี้ก็วางไม่ได้ ถาวางไปก็เกิดผลเสียแต่บางอย่างเราวางได้วางแล้วเราปฏิบัติเปนอย่างจริงจังผลเสียก็ไม่เกิดขึ้นเนี yeah. ่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานเหมือนกันว่าอย่างไหนเราควรจะวางได้อย่างไหนที่เราวางไม่ได้เรื่องนามนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลจะต้องวินิจฉัยแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เล็กน้อยน่าจะวางได้ แต่อีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่วางไม่ได้อะไรทำนองนี้ร่วมเป็นปัญหาทางใจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางใจของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอยู่ที่ว่าคนๆนั้นจะมีการฝึกฝนกันมามากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองแต่สมาคิดว่าถ้าในชีวิตของเรานี้เราตัดเครื่องกระวนได้มากเท่าไหร่เราก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นหรือเราปล่อยวางได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็มีความสุขได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นงานจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปยึดถือแล้วสิ่งนั้นจะไม่เกิดโทษให้เราเป็นทุกข์นั้นน่ะไม่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งใดก็ตามถ้ายึดถือแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราปล่อยวางจะได้เราก็ไม่ต้องเกิดความทุกข์จนเกิดไปดังนั้นปริพโคต ท, ทั้งสิประการที่ได้อธิบายเมื่อวันอาทิตย์ก่อนถือเป็นบุพกิจเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรม หรือเป็นบุพภิกบุพกิกนี่หมายถึงว่ากิจเบื้องต้นเราจะต้องชำระสะสารเสีก่อนแล้วเราจึงจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติในวันนี้จะได้พูดถึงการเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับสาธุชนผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีเราเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วแต่เรากลับมืดมนว่า เราเนี่ยไม่ทราบจะไปสู่สมั์ไหนที่เราไปแล้วเราจึงจะไม่ผิดหวังไปแล้วเราได้มีการปฏิบัติธรรมการที่เราจะไปสู่การปฏิบัติให้เข้าขั้นจะเป็นการเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาก็าตามปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในเบื้องต้นนี้ก็คือการตแหวงหากัลยานมิตร คำว่ากระยาณมฤทธิ์เนี่ยหมายถึงมิตรที่เกื้อกูลต่อกันท่านใช้คําว่ากระยาณมิตรไม่ใช้คําว่าสํานักไม่ใช้คําว่าอาจารย์แต่ใช้คําว่ากระยาณมิตรท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่ากระยาณมิทธิ์น่ะคือมิตรที่เกื้อกูลต่อกันหรือมทธิ์ที่ดีนั้นเป็นมิตรชนิดไหนจึงจะจัดว่าเป็นมทธิ์ที่ดี ท่านกล่าวว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นผู้ควรยกย่องในฐานะแห่งความเป็นครูเป็นผู้คอยตักเตือนเป็นผู้ควรที่สุผดอดทนต่อคำว่ากล่าวเป็นผู้แต่อภัยเป็นผู้ที่มีความคิดลึกซึ้งหรือมีถ้อยคำอันลึกซึ้ง และไม่ชักนำในทางที่เสื่อมเสียหรือในทางที่ไม่ถูกไม่ควรบุคคลผู้นี้เราจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่เป็นผู้ที่รักคือผู้ที่เรารักในบาลีใช้คำว่าปิโยปิโยครุจากภาวะมิโยซึ่งในวิสุทธิมัคขัน แสดงววาอย่างนี้ปิโยหรือปิยะนี่หมายถึงว่าผู้เป็นที่รักคาว่าผู้เป็นที่รักในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่จะเป็นมิตรอันจะชัดนำทางปฏิบัติให้แกเรานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่น่ารักน่ารักในรวมทั้งหน้านับถือด้วยก็คือเป็นบุคคลที่มีอัทยาศัยต้องกันว่าผู้นี้มีอัยาศัยต้องกันกับเราเราไปหาท่านแล้วเราไม่ผิดหวัง เป็นผู้ที่ยกย่องควรแกการยกย่องในฐานะแห่งความเป็นครูในบาลีใช้คำว่าคารุผู้ที่ควรยกย่องในฐานะแห่งความเป็นครูก็คือเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นคนที่มีความหนักแน่นคนคนนั้นควรที่จะเป็นครูในที่นี้ท่านหมายถึงว่าบุคคลใดก็าตามซึ่งมีวาจาประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความคิดมีการกระทําที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่ารักทั้งนั้นสมบูรณ์พร้อมในอาจาระต่างๆเราก็จัดว่าเป็นบุคคลที่เป็นปิยะหรือปิโยเป็นบุคคลที่น่ารักน่านับถือผู้ที่ควรยกย่องในฐานะแห่งความเป็นครูก็คือผู้ที่มีความหนักแน่น เพราะว่าผู้ที่เป็นครูนี่ต้องอาศัยความหนักแน่นในใจิตใจคือต้องมีความอดทนหลายอย่างทั้งนี้เพราะว่าคนที่เป็นครูก็เหมือนกับคนฝึกช้างฝึกมา้าหรือฝึกสัตว์ให้เป็นไปในลักษณะต่างๆกันการที่เราจะฝึกบุคคลหรือให้ความรู้แก่คนนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าหากว่าขาดเสียซึ่งความหนักแน่นหรือความอดทนแล้วก็จะทําหน้าที่อันนี้ให้สมบูรณ์ไม่ได้ เช่นบางครั้งสิทแสดงกริยาที่ไม่น่าดูสิทธิแสดงความรบรู่ดูหมิน่นก้าวร้าวล่วงเกินผู้ที่จะเป็นครูต้องมีความหนักแน่นคือไม่แสดงโสกรธต้องมีความอดทนต่อสิทธิที่มีความยั่วยาวเช่นนั้นหรือไม่โกรธสิทธที่มีความยั่วยาวเช่นนั้นเพราะว่าคนที่ไปปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป บางทีก็เป็นคนที่ก่อให้เกิดโพสะขึ้นได้เหมือนกับ เ, เราจะสังเกตได้จากโยมที่เข้าวัดไม่ใช่ว่าโยมที่ไปหาพระเนี่ยจะคุยกับพระดีเสมอไปทุกคนก็หาไม่โยมบางคนมาถามปัญหาย่โวยวนโพสะพระท่านก็มีหรือบางทีมากล่าวรบรูดูมิ่งพระท่านก็มีการเป็นครูก็เหมือนกันเราจะคิดว่าสิทธ์ทุกคนที่มาศึกษามาแสวงหาวิชานี้ อยากเคารพครูเสมอไปจิตบางคนแกก็ไม่เคารพ บ, บางทีแกก็สแสดงความรบกวนดูหมิน่นดูแคลนครูซึ่งครูจะต้องมีความอดทนต้องหนักแน่นพอสมควรดิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของความเป็นครูให้สมบูรณ์ได้ในในี้ในที่นี้บาลีท่านใช้คำว่าคารุซึ่งแปลว่าต้องหนักแน่นกาเยานมิตรนั้นต้องเป็นคนหนักแน่นมีจิตใจหนักแน่นพอสมควร โบราณท่านพูดว่าต้องเป็นคนพกหินไม่ใช่เป็นคนพกนุ่นคาว่าพกหินในที่นี้คือจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นนั่นเองไม่ใช่เป็นคนใจเบาหูเบาคนใจเบาหูเบาเป็นครูไม่ได้และคนประเภทนี้เราจะถือเป็นกัณมิตรของเราก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านจะไปสู่สํานักใดก็าตามถ้าหากว่าเรามีบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างนี้คือเป็นคนที่มีกายวาจาใจที่น่ารัก เป็นบุคคลที่มีความหนักแน่นพอสมควรมีความอดทนเป็นอย่างดีผู้เนี้ยควรที่เราจะได้เข้าไปหาท่านนี่คุณธรรมสองข้อข้อที่สามก็คือเป็นผู้คอยตักเตือนคอยตักเตือนในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อเห็นว่าเราทำอะไรผิดพลาดลงไปท่านก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เราทำผิดเช่นนั้นอีกคอยว่ากล่าวตักเตือนแนะนาอยู่เสมอว่ากล่าวตักเตือนในที่นี้หมายถึงว่าหรือกล่าวหรือตักเตือน ด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมคือพูดกันดีๆว่าอย่างนั้นควรนะอย่างนี้ไม่ควรที่ทำอย่างนั้นไม่ถูกควรจะทำอย่างนี้ผู้ที่คอยตักเตือนแนะนำเราอยู่เสมอๆ อ, อย่างเนี้ยควรที่จะจัดว่าเป็นกิริยานาิมิตถ้าหากว่าคนไหนตามใจเราทำอะไรผิดก็เฉยไม่ว่าลราวตักเตือนเราจะเรียกว่าคนคนนั้นเป็นกิริยานาิมิตไม่ได้แม้ผู้ที่ทาหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน ถ้าครูคนใดหรืออาจารย์ใดปล่อยให้ผิ์ทําอะไรตามใจชอบแม้ผิดพลาบไปก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือนครูอาจารย์เช่นนั้น่ะสิทธ์ชอบสิทธิย่อมรักว่าแม้ครูใจดีเราทําอะไรผิดนิดหน่อยก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือนถ้าครูคนไหนจู้จี้หรืออาจารย์คนใดจู้จี้คอยสอดส่องดูแลอยู่เสมอทําอะไรผิดก็ว่ากล่าวตักเตือนสิทธิมักไม่ชอบที่เป็นดังนี้เพราะว่าสิทธิเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของครูที่ดีนั้นเป็นอย่างไร หรือหน้าที่ของอาจารย์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์ที่ดีนั้นจะต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนอยู่เสมอแม้บุคคลที่เราไปคบค้าสมาคมด้วยก็เหมือนกันเพื่อนคนไหนที่คอยคอยเหนี่ยวร่างเราไม่กระทําความผิดหรือคอยว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ให้ประกอบกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่ผิดเพื่อนคนนั้นนะเราควรยกย่องว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเราอย่าไปคิดว่าเพื่อนคนนี้รบดูดูมิน่น หรือเป็นคนจู้ที่ลำคาญอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าคนคนเนี้ยเป็นคนดีมากที่คอยว่ากล่าวตักเตือนเราอยู่เสมอเราทําอะไรผิดก็คอยเตือนสติคนอย่างนี้จักว่าเป็นกระยาณ น, นมิตรเราควรที่จะเข้าไปคบค้าสมมาคมดีประการหนึ่งท่านบอกว่าบุคคลผู้ที่สิทธิผู้ควรที่สิทธิอดทนต่อคําว่ากล่าว เรื่องนี้เป็นเรื่องยากอยู่คนที่สิทธิ์อดทนต่อคําว่ากล่าวได้เนี่ยเป็นคนชนิดไหนเพราะส่วนมากกรรยาณมิตรหรือครูอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามที่ว่ากล่าวตักเตือนสิทธิ์มากบางทีสิทธิ์ก็ไม่พอใจอดทนต่อคําว่ากล่าวตัดเตือนไม่ไหวหรือทนต่อระเบียบการของครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ไหวสิทธิ์เช่นนั้นย่อมไม่สามารถจะอยู่ในสมนักของอาจารย์เช่นนี้ได้ เช่นบางทีเราไปสู่สุนักใดสุนักหนึ่งก็มักจะบ่นว่าแม้สุนักนี้เคร่งครัดเหลือเกินเราปฏิบัติไม่ได้หรอกเคร่งครัดเกินไปหรือบางทีบางคนไปสุนักที่อาจารย์ย่อหย่อนถึงจะทําอะไรผิดก็ไม่ว่ากล่าตัดสินก็มักจะบ่นว่าแหมสุนัขนี้หย่อนเหลือเกินไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเราอยู่ไม่ได้เราจะสแสวงหาสุนัขที่พอดีพอดีเป็นมัชชิมานั้นเราก็สแสวงหาลาบาก เพราะฉะนั้นเรื่องบุคคลที่จะเป็นคนที่ว่ากล่าวสิทธิและสิทธิอดทนได้เป็นคนที่หายากอยู่เหมือนกันเพราะส่วนมากพอไปว่าเขาแล้วเขาก็ทนอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นคนที่ลูกสิทธิทนอยู่ได้นี่ก็หมายถึงว่าคนคนนั้นจะต้องมีพระคุณอย่างมากมายต่อสิทธิถึงว่ากล่าวตักเตือนสิทธิอย่างไรสิทธิก็อดทนประคําว่ากล่าวได้เพราะว่ามีพระคุณอยู่มากก็คือมีความดีมีการเกือ้อกูลต่อกันอย่างมาก นั่นแหละสิจึงจะอดทนได้ผู้ที่แต่งถ้อยคําให้ลึกซึ้งผู้ที่แต่งถ้อยคําให้ลึกซึ้งในที่นี้หมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องรู้จักใช้คําพูดที่จับจิตจับใจของสิทธิ์เช่นมาพูดไปแล้วก็ทำให้สิทธิ์เนี่ยได้เกิดสติปัญญาขึ้น mm. เกิดความนึกความคิดในทางที่ดีซึ่งเราจะหาผู้ที่มีถ้อยคาอันลึกซึ้งเช่นนี้ก็หายาก จำเป็นจะต้องสแสวงหาผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ด้วยคาว่าไม่ชักนำในสิ่งที่ไม่ควรก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีอันตรายเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ไปชักนำในทางที่ผิดๆ เ, เราจะพบกันบ่อยสํานักว่าบางทีก็แนะนำไปในทางที่ไม่สมควรพอทำสมาธิไปก็ชักนาไปในทางให้เกิดความโลภ ให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงการชักนำไปในทางที่ไม่สมควรเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลสาเร็จบางทีปฏิบัติไปก็ไปชักนำในสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นแล้วก็เลยทำให้ห่างจากการปฏิบัติฉะนั้นบุคคลที่เป็นกระยาณมิตรนี้จึงเป็นบุคคลที่จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายอย่างเราก็ต้องสแสวงหาดูแล้วจึงจะไปหามิตรประเภทนี้ซึ่งส่วนมากก็ จะอยู่ตามสํานักต่างๆซึ่งสํานักต่างๆนั้นก็ควรที่จะได้ศึกษาดูปฏิปทา <c oughs> ของผู้ที่จะเป็นผู้แนะนำเราว่าท่านผู้นี้มีปฏิปทาพอที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่มีปฏิปทา <c oughs> ดีไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นบางสํานักก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินี้บรรลุผลสําเร็จแต่ว่ามุ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่คือสแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ไปปฏิบัติธรรม ไม่ได้มุ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้เกิดความสุขเกิดความสงบอย่างแท้จริงสาํานักกล่าวนั้นเราไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเราไปสู่สนุนัขใดก็าตามหรือไปสู่การปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งก็าตามเรามุ่งขจัดความโลภความโกรธและความหลงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหลักใหญ่สําคัญที่สุดหาสาํานักนั้นเต็มด้วยความโลภความโกรธความหลงเช่นบุคคลผู้เป็นอาจารย์นั้นมีความโลภมากอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้ ประกอบด้วยความโกรธและความหลงการไปปฏิบัติในสัมนักเช่นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งสำนักเล่าวนั้นก็มุ่งที่จะสแสวงหาประโยชน์เป็นส่วนใหญ่การปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ผลมิตรประเภทนี้เราต้องเว้นโดยเด็ดขาดปัญหามีว่าใครเล่าที่เป็นกัลยาณมิตรของเราท่านพุทธโคสาจารย์ท่านอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นกัลยาณมิตรของเรา ที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกิริยานามิของเรานั้นก็เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นมุ่งสงเคราะห์ต่อเวเนยสัตว์อย่างแท้จริงเราจะทราบได้จากพุทธจริยาต่างๆที่ได้ทรงปฏิบัติมุ่งหวังความสุขความสวัสดีของสัตว์เป็นที่ตั้งพระพุทธองค์ไม่เคยชักนำพุทธบริษัทธ์ไปในทางที่ไม่ดีหรือให้ประกอบในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์พุทโธว่าทั้งหมดเราจะศึกษาได้ว่า ทุกๆคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสจากพระโอษ์มุ่งให้เราทำประโยชน์ทั้งนั้นจะเป็นการชักชวนให้รักษาศีลให้บริจาคทานให้เจริญภาวนาก็ตามเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งสิน้นพระพุทธองค์ไม่ได้ชักนำสันตสัตว์ไปในทางที่ผิดที่เสือ่อมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดว่าเป็นกริยณาามิตรของเราเป็นกริยานามิตรของสันตสัตว์ทีนี้ในปัจจุบันนี้ เราเกิดขึ้นในยุคในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธองค์แต่ว่าเรามีธรรมวินัยอยู่ซึ่งเสมือนหนึ่งกับเป็นองค์าศาสดาแทนตัวท่านถ้าเราจะถือว่าธรรมวินัยนั้นแหละคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ผิดเพราะได้ตรัสไว้ก่อนปรินิพานแล้วว่าธรรมวินัยนี้จะเป็นาศาสดาแทนตัวเธอทั้งหลาย แต่ปัญหาสําคัญก็คือเราจะเข้าใจธรรมวินัยเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าสาธุชนทั้งหลายที่จะมีโอกาสมาค้นคว้าพระไตรปิฎกหรือสแสวงหาวิชาความรู้จากพระไตรปิฎกเหมือนกับพระเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกระทําได้เมื่อไม่มีโอกาสที่จะกระทำได้เราก็คงจะได้ประโยชน์จากธรรมวินัยเนี่ยน้อยจากพระไตรปิฎกเนี่ยน้อยแต่ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือพระบรมศาสีาของเรา พะพุทธองค์ตรัสไปอย่างนั้นท่านทัน้งหลายที่สนใจคนควา้าอ่านพระไตรปิฎกเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายเป็นสุขว่าเหมือนกับเราเนี่อยู่ต่อหน้าพระพักรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกสัเกเล่มหนึ่งก็ชื่นใจเพราะว่าพุทโธว่าที่ตรัสไว้ในนั้นทั้งหมดเป็นสารประโยชน์ทั้งสิ้นพระไตรปิฎกนั่นคือพระบรมศาสดา ใีปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติหรือศึกษาจากพระไตรปิฎกได้เราจะไปหาใครนบอกรองลงไปจากพระไตรปิฎกนั้นก็คือพระอระหันต์ผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิสัมพิทายามสีผู้นั้ น, นเป็นกริยาณมิตรของเราพระอระหันต์ก็หาไม่ได้อีกในปัจจุบันท่านบอกถึงหาไม่ได้ก็ขอให้หาพระผีนาศเช่นผู้ที่บรรลุถึงซึ่งความเป็นโสดาบันบุคคล รักสกะทาคาอนาคาท่านทั้งสามเนี่ยเป็นกรรยะาณมิตรของเราอาริยบุคคลเราหาไม่ได้อีกจาบอกถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งสามเพราะท่านผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งสามนั้นย่อมสอนเราไม่ผิดเราจะหาทั้งสามปิฎกก็ไม่ได้จะบอกถ้าไม่ได้สามปิฎกก็ขอเพียงแค่สองปิฎกสองปิฎกไม่ได้ก็ขอเพียงแค่หนึ่งปิฎก หนึ่งปีดกก็ยังไม่ได้ก็ขอให้ผู้ที่ทรงคุณในการค้นคว้าแปดชานในอัตกถาดีกาท่านบอกท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นกระยาณมิตรเหมือนกันที่ให้หาบุคคลเหล่านี้ก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้น่ะ